เพราะนั้นก็ถ้าจะาให้เอาชนะความทนองตนแบบนี้ก็ต้องใช้ธรรมะข้อหนึ่งคือความการุณาความการุณาเข้าใจเห็นใจผู้อื่นผู้ติคือว่าในในเปรียบดู ว, ว่าในบ้านเนี่ยที่จะสะอาดมันต้องมีไม้กวาดมันต้องมีผ้าขีริว้ว มันต้องมีอะไรพวกเนี้กับที่จะทําให้บ้านสะอาดได้แต่ว่าพอถึงเวลารับแขกเข้าจริงๆเราก็เอาดอกกุหลาบมาวางรเราจะไม่เอาผ้าชีลิ่วมามาต้อนรับแขกใช่ครับเล้เอาดอกกุหลาบมาวางบนโต๊ะสวยๆแต่ว่าสิ่งที่ทำให้โต๊ะสะอาดคือ <ตะ S 2> ไม้กวดาดและผ้าชีลิ่บแต่ว่าผู้ที่ออกหน้าท่านดอกกุหลา บ, บออกมาวางอยู่รับแขกก็ก็ไม่ใช่ว่าจะผิด่นะครับ แล้วภาคีเดีวมันจะประท้วงบอกว่าเอ๊ดอกกุหลาบไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นทำอะไรจริงเวลาก็ออกมาออกหน้าเขาทำงานน่าจะให้เขาโชว์บ้างใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ครับมันมันคนละคนละอย่างคนละหน้าที่นละหน้าที่ค่ะในในปัจจุบันนี้ทีเราก็ภาคีรดีวก็อยากจะเป็นดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบว่าอยากจะเป็นผักกิิ้วว่าดอกกหลาบวาเป็นกานกิเลวมันเปไม่ได้ยับเยินหมดจำลองนี้นะครับแจ้งครับครับผมอเฮ้ยข้าอาจารย์ในเรื่องของอาการถือตัวเนี่ยครับอางทีเราก็สอนกันนะว่าลูกเอ้ยเราจะต้องเรียนให้สูงเพื่อจะเป็นจาเจ้าคนในคน ลักษณะนี้สอนให้เป็นเรื่องของการถือตัวหรือเปล่าท่านอาจารย์อ๋อครับที่จริงอันนี้เอ่อเอาเอากิเลสไปไปล่อนะฮะเอากิเลสไปล่อเอาไว้คือก็เอามานะนั่นแหละครับเอาตัวมานะเอาตัวมานะนไปล่อเอาตัวมานะซึ่งทางศาสนาถือเป็นกิเลสนี่แหละไป ไปล่อเอาไว้ข้างหน้าเอากิเลสไปต้นกิเลสเอาไปล่าข้างหน้าแล้วก็ก็เลยเอันในภาษาไทยก็เลยใช้คำว่ามานะพยายามมานะพยายามที่จริงไม่ค่อยถูกหนั ก, ก น, นะครั บ, ครบแคนถะ้าถ้ามองในแง่ของทางธรรมแล้วก็ไม่ค่อยถูกหนะักแต่ว่ามันก็เรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์ ในด้านที่ว่าให้มีความเพียรพยายามแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปล่อเอาไว้เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของจะเหมือนกับตอนที่เป็นเด็กๆ ก, ก็เล่นกันนีนะฮะอาจารย์ ถ, ถ้ามันจะเหมือนกับลักษณะแบบเนี้ยทุกบอกว่าเต่าไม่ไปเอาไฟอย่าตูดเต่าไม่พูดอาทุลนล่ไฟก็ไม่กพาว่าเต่าแล้วตะปูเตยมันจะไม่เดินไม่เอาไฟไปอย่าตูดแล้วมันก็จะรีบเดินเอาของร้อนไปไปหลน เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยไม่ขยันเมื่อไม่ขยันเนี่ยต้องเอาอย่างเงี้ยเข้ามาว่าพูดเพื่อให้เกิดความาตั้งใจเกิดความมานะที่จะเรียนหนังสือต้องการมีความตั้งใจที่จะทําอะไรที่มันให้ประสบความสาเร็จต้องการกับคือเอาเอาเอาเยื่อไปล่อเป็นโมยเยื่อไปล่อเอาเยื่ อ, อไปเป็นโมติไปเป็นแรงเร่งรเป็นแรงจูงใจอที่จริงแล้วก็ ถ้าถ้าสอนกันแบบทางพุทธแนวพุทธนะฮะไม่ต้องสอนแบบนั้นก็ได้ครับสอน่ให้เขาจะทําความเพียรให้เขาเรียบๆทําความดีเขาจะได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะได้มีความสุขอะไรํานองนี้่นะครับก็ได้ไม่ต้องเป็นเจ้าคนให้คนก็ได้แต่ที่เรา<ไ>พูดกันติดปากก็เป็นอย่างนั้นหลยนะฮะกาที่พูดกันติดปากก็ได อ, อีกประการหนึ่งก็มักจะพูดว่าเอ้าเรียน หมอสิเรียนวิศวะสิจบจะได้มีเงินทําเงินเยอะๆหนึ่ก็ก็รีบสอบให้ได้ไปรเรียนเก้าแล้วก็จะได้เป็นท่านเจ้าคุณเร็วๆ uh huh. อแล้วก็จะได้เป็นสมเด็จจะได้เป็นกรรมการมหาเทระสมาคม uh huh. อะไรนี่นะฮะก็พูดกันอยู่ในในในระเบบที่ปกครองแบบมหาเทรสมาคมครับ uh huh. ก็เพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนั่นเองลงความว่าอย่างนั้นนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหยื่อแย่ที่นี้มันการที่จะเอาทำกลาวคนนี้มันคนมองไม่ก็เห็นนะครับมันก็เห็นแต่เหยื่ อ, อไม่ไม่เห็นทาไม่เห็นธรรมะเพราะนั้นก็ต้องคอยเอาเหยื่อกระตุ้นกันอยู่เรือ่อยคอยเอาเหยื่อกระตุ้นกันอยู่เรื่อยใช่มีมีพระเทราชอยู่รูปหนึ่งตอนนี้ท่านเสียไปแล้วตอนนั้น ท่านเป็นพระครูแล้วก็ท่านเจ้าคณะภาคเรียกท่านมาแล้วก็บอกให้ทาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าแล้วผมจะให้เป็นเจ้าคุณอ๋ออาจจะให้เป็นพระอาจารคณะในสมัยหน้าเนี่ย <Okay. S 2> ท่านบอกว่าท่านลุกขึ้นท่านบอกว่าจะใช้อะไรผมก็ใช้ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา อย่าเอาของพวกนี้มาลอ่อท่านพูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยเด็ดขาดเลยนะจะใช้อะไรผมก็ใช้ผมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมที่จะทํำตามคาสั่งอยู่แล้วไม่ต้องเอาของพวกนี้มาล่อท่านหมายยังไไปเจอคนจริงครับไปเจอคนจริงครับไม่ชอบเหยื่อครับบางอาจารย์บางคนก็อไม่ไม่เอาใจลูกศิษย์เหมือนกันคือมีอะไรที่จะ ว่ากล่าวให้เกิดมนะไปอย่างอื่นก็มีอย่างในกรณีของผมเนี่ยครับตอนนั้นเป็นสามเณรยอยู่ที่วัดดอนเจดีที่สุพรรณนะฮะพอสอบได้เปลี่ยนสีประโยคแล้วผมก็มาหาวัดอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็ได้แล้วก็ได้ม า, า, า, าได้วัดแล้วก็จะไปลาท่านได้วัดแล้วถึงไวลาท่านนะฮะเวลาท่าน บ, บอกว่าผมจะไปอยู่กรุงเทพไปอยู่วัดนี้วัดนี้ท่านเกิดจะให้ไปทุกขลุกขึ้นด่าเลยชี้หน้าเลย เมือนไปจะมาให้กูเห็นได้าอีกคือคล้ายๆว่าเราไปข้ามหน้าข้ามตาท่านนะฮะท่านไล่เลยนะไม่บอกก่อนอไม่บอกไม่บอกก่อนท่านกันไล่ดา<อ>่าเสียงขม óng ฉงเฉงเลยครับ้วตอนหลังพอผมอายุครบบวชแล้วของล่ากลับไปหาท่านพอะ น, นิมนท์ท่านเป็นอุปชาท่านก็เล่าให้ฟังว่าบอกเองจําได้ไหมตอนที่เองมาลาข่าไปกรุงเทพแล้วข้าด่า บอกก็จําได้คับก็ทําไมถึงฆ่าถึงด่าองบอกไม่ทราบคัท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละคนจะไปอยู่กรุงเทพก็ให้ฆ่าต้องไปหาวัดให้อยู่ต้องพาไปเงินก็ต้องส่งแล้วมันเป็นลูกแง่เลี้ยงไม่โตสักทีเวลาอยู่วมาวันสองวันมันต้องมาขอเงินแล้วอันนี้เปลี่ยนนโยบายใหม่มันจะไปด่าเลย เพาดา่าแล้วมันโกรธมันไปไม่กลับมาจนกว่าจะประสบความสาเร็จก็ก็มีวิธีการอีกอย่างหนึ่ ง, ไงืไว้ครับอ๋อนะครับครับแล้วท่านนั่นเป็นวิธีการของท่านจะไหมครับท่าเป็น ว, วิธีการของท่านท่านวิธีการของท่านครับด่าเลยครับด่าให้โกรธไม่เอาอะไรมาอั้นเลับไม่บอกว่าเอ้ยเอ็กเซนจบแล้วจะได้กลับมาอยู่ที่วัดนี้เป็นเจ้าคุณจะเขินไม่เอาแล้วด่าเลยครับไปไหนก็ไปแต่ว่า เขาเก็มีเหตุผลอย่างหนึ่งแต่ถ้าดีอย่างดีแน่นอนถ้าท<ง>่านมีความตั้งใจอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็ก็น่าน่านิยมอยู่นะฮะครับผมถ้าท่านยกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างว่ามีหลายคนเป็นจํานวนมากอะ่ะท่านก็ต้องมาหาวัดที่กรุงเทพให้นะฮะมาหาวัดโน้นวัดนี้แต่แล้วพอไปอยู่แล้วก็ต้องเลี้ยงไม่เต็มวะเดี๋ยวก็ต้องมาขอเงินขอทองอะไร อ, อะไรซึ่งพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยมีรรายไได้้้อออะะู่่แแลวตตก็็จจํเปนง ส่งเสียพอไปฝากแล้วแล้ตอนหลังไม่เอาแล้วด่าเลยพรด่าแล้วไม่ต้องมาขอเงินอีงครับถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ไหลายอย่างนะครับด้วยโดยไม่ต้องมีสิ่งสิ่งอรอก็มีมีเจ้าคณะจังหวัดอยู่รูปหนึ่งกันนะฮะท่านอยู่ทางอยู่ทางภาคใต้เจ้าคณะจังหวัดแล้วก็มีสา ม, มนเณรมาแบบลาบมาเรียนที่กรุงเทพท่านก็บอกบอกว่า เรียนไม่สําเร็จหรอกไปก็เรียนไม่สําเร็จอท่านพูดอย่างนี้นะแล้วก็ท่ามเนนก็จําไว้ตลอดว่าท่านบอกว่าเราไปมาก็เรียนไม่สําเร็จเวลาท้อที่ไรก็นึกถึงคําเนี้ยครับก็ท่านเรียนไปเรียนไปเท้อที่ไรก็นึกถึงคํานี่ก็เรียนได้ฮเรียนได้เป็นห้าประโยชน์เรียนได้เป็นปริยนาห้าประโยคน์เพราะนึกถึงคําที่ท่านบอกว่าไปก็เรียนไม่สําเร็จ ก็เกิดความวิริยะเกิดความมุขข <together> ึ้นมานะใช่ใช่ครับที่จะเอาชนะทำปรามาดได้ให้ได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของอาจจะเป็นวิธีการองท่านนะฮะครับผมถ้าหากว่าเอถ้าทางของเองนี่มันน่าจะต้องอย่างตามต้องประเด็กล้าประโยคมันก็อย่างนี้เดี๋ยวเหลิ่เดี๋ยวไม่เรียนแล้วเลยครับ ผมขอพูดถึงความการุณาต่อไอปนี้นะครับว่าเอาชนะความทนงตนโดยความการุณาคือว่าคนที่มีมาณะทนงตนแล้วก็มีอัติมาณะดูหมิ่นผู้อื่นอันนี้ก็เพราะว่าขาดความการุณาผู้ที่เปี่ยมด้วยความการุณาจะมีจิตใจอ่อนโยนต่อคนทั้งปวงคือว่าแม้ในคนชั่วหรือว่าคนบาปท่านก็มีใจกรุณาจัดถนาให้ขาพ้นทุก ไม่ดูหมิ่นไม่เยยดยามดูตัวอย่างในพรมวิหารในพรมวิหารในในคำพีวิสุทธิมรรคก็พูดถึงเอาไว้นะครับตอนที่ว่าด้วยความกรุณาว่าด้วยกรุณาพรมวิหารท่านสอนว่าพึงแผ่เมตตาพึงแผ่การุณาไปยังบุคคลผู้ตกยากก่อน ว่าถ้าไม่มีบุคคลเช่นนั้นก็ควรแผ่ไปยังบุคคลผู้ทำชั่วคนบาปท่านว่าคนเช่นนั้นแม้มีอาการภายนอกเสมือนหนึ่งว่ามีความสุขแต่ที่แท้แล้วเขามีความทุกข์ที่คนได้รับความการุณาเปรียบเหมือนโจรต้นทรัพที่กำลังจะถูกฆ่าแม้จะกปรจะับ ประดาด้วยพวงดอกไม้และของหอมหรือมีคนนำโภชนะที่ประนีตมาให้ก็ตามแต่จนนั้นก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีความการุณามากจึงสามารถเอาชนะความท่นงตนใต้แม่ผู้อื่นจะตาต้อยกว่าก็ไม่ดูหมิ่นเยียดยามเขาคอยหาทางช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์อยู่เสมอ อี่เอาชนะความถนงงตนด้วยความกรุณาครับครับจันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมครับก็ยังไม่มีท่านจันครับจันมีอะไรเพิ่มเติมก็ครับก็ไม่มีนะท่านจันถ้าไม่มีผมจะต่อนิดหนึ่งนะครับต่อนิดหนึ่งเอ่อคือว่าการที่ทําอะไรด้วยความกรุณาเนี่ยนะครับทําลงไปด้วยความกรุณาอปพัถนาให้พ้นทุกให้ผู้อื่นพ้นทุก ด้วยความอดนทนทีนี้ถ้าไม่สำเร็จด้วยกำลังของเราก็จะสำเร็จด้วยกำลังของผู้ที่มีกำลังมากกว่าซึ่งมีความการุณาต่อเราอันนี้ผมขอส้ำอีกทีนะครับอาจารย์ครับ<ๆ>เผื่อท่านผู้ฟังบางท่านจะจับความยังไม่ได้คือว่าถ้าเราทำอะไรลงไปด้วยความการุณา ด้วยความอดทนถ้าไม่สําเร็จด้วยกําลังของเราเองก็จะสําเร็จด้วยกําลังของผู้ที่มีกําลังมากกว่าซึ่งมีความการุณาต่อเราฮะทีนี้เพื่อจะประกอบเรื่องนี้นะครับผมขอเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งผ ม, ผมคิดว่าเวลาคงพอนะฮะพอะที่จะเปิดสายเรื่อ ง, งสั้นๆครับไม่ยาวแล้วครับเรื่อง เรื่องคนจีนครับยือคุงชื่อยือคุงนานมาแล้วมีคนจีนคนหนึ่งชื่อยือคุงยือคุงเป็นคนจีนนะครับ <Okay. S 1> เป็นคนแก่ที่โง่เขา่าคนแก่ที่โง่เขา่ามีชีวิตอยู่บนเนินเขาสูงยากลําบากอยู่ระหว่างภูเขาไต่สิงและหว่างขู วันหนึ่งเขาเรียกคนทุกคนในครอบครัวเสนอให้ทุกคนรวมกำลังกันเพื่อมีกำลังแข้มแข็งทำการเคลื่อนย้ายภูเขาทุกคนเห็นด้วยเริ่มขุดดินทันทีทุบหินแล้วก็ขนดินก้อนหินทั้งหมดไปทิ้งทะเลโพไขรที่ต้องใช้เวลาเดินทางถึงหนึ่งปีจะ ว, วางภูเขากับทะเล ระหว่างทางเยื่คุงผ่านที่อยู่ของทิชเชาหรือทิชเชาชายแก่ผู้สลายได้บอกเขาว่าเขาคงจะมีอายุไม่ยืนยาวนะหมายถึงเยื่คุงนะครับมมีอายุไม่ยืนยาวนะักอมีร่างกายที่อ่อนแอไม่ใช่คนแข็งแรงอะไรงานที่เขาทําก็จะเป็นการศูญเปล่าเสียเวลาเปล่า เยอคุงตอบว่าคนปรักเปรียวทั้งหลายเช่นท่านล้วนมีความเห็นเช่นนี้ทั้งนั้นแต่ความสําเร็จอัดไม่เกิดในช่วงชีวิตของข้าพเจ้าถ้าลูกหลานลูกของหลานเหรนของหลานเหรนของเหลนจะทํางานนี้ต่อไปไม่หยุดด้วยความขยันหมั่นเพียรก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายบรรลุ <c oughs> บนรู้จุดหมายปลายทางในวันหนึ่งข้างหน้ามีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือจะไม่มีภูเขางอกขึ้นมาแทนภูเขาก่าทีนี้ก็เทวดาสองตนที่สิงสถิตยอยู่ที่ภูเขาทั้งสองแห่งได้ยินคำนี้รู้ถึงความตั้งใจจริงของยึขุมเป็นสัญญาณบอกว่าที่สิงสถิตของเทวดาพังแน่พังแน่นอน เทวดาจึงของให้จอมเทพในสวรรค์คือเท่าสักกะจอมเทพช่วยเหลือเท่าสักกะเห็นใจเทวดาแต่ก็เคารพจิตใจที่แน่วแน่ของยืดคุมจึงมีเทวาบัญชาให้เทวดาที่มีพลังย้ายภูเขาไปไว้ที่ห่างไกลเพื่อความปลอดภัยใช่ย้ายภูเขานะเทวดาช่วยมาย้ายภูเขาใช่ ชื่อเยอคุงชายชายราผู้โง่เขานี้นะครับไม่ทราบว่าจะเป็นท้อยคําไปชดไปจนแดกกันอหรือไม่ที่จริงแล้วเขามีสติปัญญามองเห็นว่าสิ่งที่น่าจะสูญเสียกําลังเปล่าแต่ถ้ามองในระยะยาวและเห็นว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งคือว่ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลยาวไกลการยืนหยัด ความเพียรพยายามหรือความบากปั่นที่แท้จริงด้วยความการุณาอยู่เหนือการทนทุกข์ในปัจจุบันยืดคงเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของปัญญาที่ลุ่มลึกประเภทหนึ่ง อ, อันนี้อันนี้ขอใหอ้ท่านผู้ฟังโปรดจำให้ดีนะครับว่ายืดคงเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของปัญญาที่ลุ่มลึกประเภทหนึ่งบุคคลประเภทยืดคงนี้มีความสามารถ มั่นคงที่จะดำเนินชีวิตไปให้ประสบความสำเร็จด้วยการจะหนักรู้ว่างานของเขาจะนำไปสู่ความใหม่ น, หน่รันตรโดยไม่สนใจประโยชน์ผิวเผินหรือประโยชน์เฉพาะหน้าจะเป็นอย่างไรคนส่วนมากจะมองแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าถ้ามองไม่เห็นประโยชน์เฉพาะหน้าก็จะไม่ทำแต่คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลบางทีดูเหมือนว่า ตอนนี้จะไม่ได้อาใครแต่อนาคตอันยาวไกลจะได้สิ่งที่ดีงามครับฮะผมก็นิทานจบแค่นี้ครับอาจารย์ครับนิทานจบเสร็จครับนิทานสองเรื่องครัอาจารย์เรืนี้นะฮะยืดคงเรื่องยืดคงย้ายคงย้ายภูเขาครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมป้ายย้ายแล้วปรากฏว่าเทวดากลัวจะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมฮะเทวดาจะไม่มีที่อยู่เพราะเทวดาหน้าสายยลมภูเขาก็ต้องไปบอก พระอินครับพระอินก็ให้เทวดาที่มีมีกําลังกําลังที่มีกําลังมาย้าภูเขาทั้งสโลกออกไปเสียครับจะได้เทวดาที่สิงอยู่ที่ภูเขาเนี่ยก็จะได้ไม่เดือดร้อนยังมีที่อยู่ต่อไปครับความตั้งใจของเยอคงก็สําเร็จสามารถย้าภูเขาได้ครับสําเร็จครับอันนี้ก็ขอผมขอย้อนกลับมาถึงเอข้อความที่ว่าถ้าเราทําอะไรด้วยความกรุณา ด้วยความอดทนถ้าไม่สําเร็จด้วยกําลังของเราก็จะสําเร็จด้วยกําลังของคนที่มีกําลังเหนือกว่าซึ่งมีความกรุณาต่อเราครัใช่ไหมครับหมายความว่าเรามีกำมีกําลังอยู่แค่นี้เราต้องการจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าทําไม่สําเร็จก็จะมีผู้ที่กรุณาต่อเราซึ่งมีความสามารถมาช่วยเหลือเราครับใช่ครับ ด้วยความกรุณาต่อเราด้วยความการุณาใช่ไนี่มาช่วยนะมาช่วยด้วยความกรุณานะฮะช่วยด้วยความการุณาไม่ใช่ช่วยด้วยความสมเพศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเห็นความตั้งใจจริงความตั้งใจจริงความยืนหยัดการที่อไม่ยอมแพ้ต่อความตั้งใจที่ที่ดีนะครับคมื่อตั้งใจว่าจะทําทีนี้ก็ต้องทําให้ได้นี่เขาตั้งใจทําดีเนี่ยฮะตั้งใจว่าทํำยังไงคน ในหมู่บ้านในพวกเราจริงจะไม่ต้องลําบากะอะไรอย่ายคิดย้ายภูเขากันเลย ค, คิดย้ายภูเขาก็จะเอาให้ไปเอาไปทิ้งตั้งโอ้โหตั้งไกลนะครับอ๋อถ้าเป็นสมัยนี้ก็ยิปสิงคโปร์ก็สบายเลย <c oughs> <c oughs> เอาไปทิ้งที่ประเทศสิงคโปร์ถมทะเลเถมทะเลเป็นสนามดินไปครับครับแล้วจะเปิดสายไหมท่าน ใช่ครับอาจารย์ผมหากว่าท่ญญญานยังไม่โทรเราก็คุยกันไปต่อนะท่านอาจารย์ครับครับจริงๆแล้วคําว่ากักรุณานี่เราก็ต้องไปมองว่าผู้ที่เราจะไปช่วยนั้นมีความเดือดร้อนใช่ไม่ท่านอาจารย์อ่าใช่ครับคือว่านําออกจากทุกข์ น, นะครับครับเห็นคนอื่น <ๆๆ S 1> เขามีความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่สบายใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราในฐานะที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่เรื่องไงล้วก็มีความกรุณาที่จะช่วยเหลือ นำออกจากทุกนํานําความทุกออกครับเมตตานั้นนําความสุขเข้าไปให้ครับกรุณานําออกความทุกออกอก็หมายความว่าเมตตานี่นําความสุขเข้ามาสู่ตัวของผู้น้อยทำความสุขเข้าไปให้เขาทำความสุขเข้าไปให้เขาส่วนกรุณานั่นําความทุกขออกจากเขาทาความทุกออก แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นรัฐบาลหรือเป็นผู้บริหารนั่นนะครับเบื้องแรกก็พยายามทําการุณาขอดคือว่าบําบัดทุกข์บำบัดบรรทุกบํารงสุขทุกข์ก่อแล้วค่อยบํารุงสุขที่อื่นแต่ถ้าถ้ามัวแต่คิดจะบํารุงสุขแล้วไม่บําบัดทุกข์แล้วก็ไปไม่รอดไปไม่รอดพระเจ้าที่ตั้งคอนโดก็เอาแล้วก็สั้งโรงพยาบาลตั้งถนนทนทางอะไรอะไยเป็นการบําบัดทุกข์ไปก่อน ้าเดินทางลำบากลำบนละไรเข้าตัดถนนเข้าไปส่วนว่าตัดสนนเข้าไปแล้วมีโรงพยาบาลแล้วจะไปส่งเสริมอาชีพอะไรเอาผักเอาผลไม้อะไรไปแจกก็ว่ากันอีกทีหลังเป็นเรื่อง <ผม S 1> ของความเมตตาครั บ, ค ร, บครับผม คือว่าการการบําบัดทุกนี่มันเป็นการเป็นปัจจัยพื้นฐานครับเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะฮะปัจจัยพื้นฐานที่จะต้องทําก่อนแล้วก็บําบัดทุกบํารุงสุขต้องบําบัดท hey ุกไปให้ได้ก่อนชครับถึงจะเอาความสุขไปให้เขาได้ครับถ้าเขายังมีทุกขอยู่เราเอาอะไรไปให้เขามันก็ไม่มีความหมายอะไรก็อย่างนี้ด้วยครับอาจารครับคือถ้ามุ่งเน้นไปหรือเล็งไปที่การบํา ร, รุงสุขเนี่ยคนก็จะแสวงหาความสุข บนความทุกข์หรือบางทีก็เสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือว่าหลงระเริงไปเสวงหาความสุขมากเกินไปร<ช>จนความทุกข์มันเกิดมากขึ้นตามขึ้นมาด้วย<ช>พื้ฐนฐานไม่มีคุณนิยมไหครับคุณนิยมสวัสดีคุณนิยมครับสวัสดีครั บ, รบขอสวัสดีท่านอาจารย์วศินด้วยแล้วก็ทุกท่านด้วยครับ คือผมฟังดูมานานแล้วผมเลื่อมสผมจะเปรียบเหมือนว่าอาหาราหเพราะผมเคยฟังท่านเอกปิ่นมือกันสมัยนั้นผมเคยนึกว่าเหมือนกับต้มยำกุ้งครับถ้าของอาจารย์วสินแล้วเหมือนกับสลิมห ว, วานเย็นๆน้ำหอบแล้วก็มีก็ค <c> ล <oughs> ้ายว่า หอมชื่นใจอ่ะสลิมสลิมหวานเย็นอ่ะแล้วถ้าไปนำน้ำนำแข็งนาแข็งใสครับรยบบไปด้วยนะครับครับแล้วถ้าข อ, ของของของอาจารย์สนิทก็เหมือนถั่วถ <c oughs> ั่คุดนะยิ่งเคี้ยวยิ่งมันแล้วของอาจารย์บรรลพบก็เหมือนกับไอศครีมที่ใส่ไอศครีมแล้วก็ใส่ถั่วคุด แล้วก็ใส่ข้าเหนียวยิ่งกินแล้วก็นุ่มแล้วก็เย็นแล้วก็อิ่มดีแล้วของหลวงตาก็เหมือนขนมตะกิมไข่เตา่าเ <laughs> <laughs> ทุกอย่างแล้วผมตังแล้วผมผม <laughs> ผมเรื่อมสายแล้วก็ศรัทธาแล้วผมก็หิวที่พูดอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> <laughs> ผมก็ไม่มีอะไรแสดงมากฮะคนนิยมเลยฮะเขาช่างเปรียบเทียบดีจังขอบขอบขอบขอบคุณแยอดจวดดีด้วยขอบขอบคุณคุณนิยมครับเขอบคอกว่าคำนวณของอาจารย์วสินนี่ก็เหมือนกับสลิมนะฮะสลิมที่ความหวานหอมหอมที่เขาทำข้าเทียนเขาเรียกว่าเทียนหอมมามาอบนะฮะแล้วก็มีกะทิแล้วก็มีน้ําแข็งใส <Camp> ลอยก็ทำให้อร่อยแตจริงๆนะในเรื่องของของคำชมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องปลื้มใจนะท่ า, านอาจารย์ เ, เครื่องปลุกใจเป็นกาลังใจเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ได้รับแต่ถ้าเราที่ได้รับพ็คงจะไม่ไป หลงคาหลงแต่ก็ดีนะแต่ก็ดีก็ชอบชอบเยอะเป็นการเป็นการสนับสนุนผมเป็นการให้กําลังใจครับจริงจริงแล้วถ้าอาจารย์อในชีวิตของคนเราเนี่ยเรื่องมันก็ตกอยู่ในหลักของโลกธรรมนะท่านอาจารย์เรื่องสันเสริญเรื่องลินทาเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้ลาเศืมญาปอะไรนี่มันก็ต้องประสบไปฮะ ก็ลงทะเลแล้วฮะลงทะเลแล้วต้องโดนคลื่นนะฮะต้องโดนคลื่นครับถ้ามีผู้ฟังเข้ามาแล้วท่านอาจารย์คุณอ้ยหวานสวัสดีครัคุณอ้อหวานครับสวัสดีค่ะครับฮัลโหลครับค่ะเออเออจะจะตอบปัญหาทิงรางวัลค่ะอ๋อค่ะเออที่ที่ไดทานเรื่องแรกแล้วนะคะที่ก็เคยฟังมาในเรื่องของคนทานใช่ไหมคะเออ คนทานถึงยังไดก็มองโลกในแง่ร้ายใช่ไหมคะใช่ที่ทีที่ที่ไทย ใ, <ค>ใครเป็นคนทานนะเออพระาตาบอส พ, พระน้องชายตาบอดนะคะแต่ว่าในเรื่องที่เธอฟั่งเนี่ยตอนที่จัตนตีพระอคันตุ ก, ก, กะมาบอกกับพี่ชายเนี่ย<ม>ก็คือตอนที่พระน้องชายยกกำปั้นเนี่ยไม่ได้ยกนิ้วมหนึ่งนะคะ<ม>ยกกำปั้นเนี่ยพราอคันตุกะบอกว่า พราน้องชายท่านเก่งจังเลยผมบอกผมพูดถึงพระพฤติธรรมพระสงค์แต่พาน้องชายบอกว่าว่างเปล่าทุกสิ่งคือคือว่างเปล่าคือเป็นศูนย์ศูนญะตา<ม>ก็เลยไม่ไม่ใช่ว่ารวมเป็นหนึ่งที่เคยฟังมาบอกว่าเป็นศูนย์ เ, เป็นเป็นความว่างเปล่า ไม่ทราบถูกไหมคะยกกำปั้นแล้วหมายความว่าว่างเปล่าเลยผ่าไม่มีอะไรทุกสิ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่ว่าไม่ว่ายกกำปั้นนี่ก็รวมเป็นหนึ่งถูกไหมมันกําปั้นนี่พอกำปั้นก็แล้วมันก็รวมเขาเนิ้นวมันจะรวมเข้าาเป็นหนึ่งอ๋อไม่ถูกแราคะก็อดรางวัลผู้ฟังโทรมันจะพังงานนะท่านอาจารย์ครับคุณเอกชัดสวัสดีครับคุณเอกชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ต่อขาวอาจารย์คำวันผมก็ต้องถามเรื่อยในเรื่องรับเงินเสร็จแล้วยัง ตอนนี้หนังสือได้รับเลี้ยงแล้อ๋อครับครัลงอกไปสัทีก็มีปัญหาที่จะเรียนถามท่านอาจารย์วสินเกี่ยวกับเรื่องการปวดอุตริมนุสธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ตูกโจทย์ข้อนี้อาบัติข้อนี้มักจะแก้ไปว่ามันเป็นปัด จ, จัดตังเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตอนเมื่อเขาเอาข้อนี้มาอ้างมักจะหลุดพ้นไปทุกครั้งเลยอันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยช่วย ขยายความอธิบายหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารราบครับทราบอาจารย์ในเรื่องครับเอาเอาเอาคุณสิทธิชัยก่อนนะคุณสิทธิชัยฮัลโหลครับสวัสดีคุณสิทิชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสามครับครับพอดีฟังอที่ท่านอาจารย์วสินบรรยายคืนนี้นะครับก็ทําให้นึกถึงว่าในในวงสังคมนะครับก็มักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมานะนี้ แล้วพอได้ได้ฟังท่านบรรยายแล้วก็ต ร, ตรงตรงกับที่เคยเจอเลยครับคือมีคนคนแบบเดียวกันนะครับแต่อยู่สองสถานะครับนะครับก็คือบางทีในคนคนเดียวกันเองเป็นเองอย่างเช่นว่าเอชอบถักถังดูหมิ่นคนอื่นดูเบาคนอื่นขนาดเดียวกันในบางครั้งก็ชอบนึกว่าคนอื่นดูถูกตัวเองก็เหมือนกับผมยังเคย เปรียบเทียว่าเหมือนถูกผีหลอกหรือไม่ก็ที่ตัวเองไปถักถากงคนอนื่นไว้ก็เหมือนขุดหลุมดักตัวเองไว้ก็พอดีได้ได้เข้าวันนี้ได้ทราบว่าก็คืออาการที่เรียกว่ามานะนั่นเองนะครับแต่ทีนี้อยากเรียนถามว่ามีชื่อเรียกแยกแยะไหมครับว่ามานะแบบไหนเรียกมีชื่อว่าอย่างไรแล้วที่อาจารย์ท่านถามในนิทานข้อแรกนี้ ผมก็ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องมานะนี่เองนะครับฮัลโหลครับครับก็คือสอนเรื่องมานะใช่ไหมครับจิตชัยครับก็คือพระอคัญตุกะก็ไปมองว่าพระพระโง่นั่นก็เหนือกว่าตนนะกับกันนะครับก็เป็นมานะทั้งคู่แต่ผมผมยังไม่เข้าใจเรื่องที่ว่าทําไมทําไมพระที่พระอคัญตุกะนี่ไปมอง แต่มองผู้อื่นว่าเก่งกว่าตนนี่ไม่มันไม่ใช่เป็นการถอมตัวเลยครับครับครับเราก็ขอเรียนถามแค่นี้นะครับสวัสดีครับไอ้อีอีสายกันคุณสันติเดี๋ยวอาจารย์ตอบรวดเดียวเลยครับสั้นๆนี้นะจําหมดเวลาคุณมติครับสวัสดีครับอาจารย์ทองขาวครับสวัสดีครับคือผมมีปัญหาไม่ได้ฟังของอาจารย์ประสินแลซึ่งผมก็นิยมชมชอบท่านตั้งแต่อ่านหนังสือจอมจักรพรรดิอโศกนะครับนี้มีปัญหาหนึ่งอยากจะเรียนถามว่า ผมเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือนกเนี่ยกําลังจะตายเพราะว่าถูกสุนัขกัดไอ้นกเนี่ยกาลังดิ้นด้วยความทรมานเราไปดูเห็นแล้วเออจะช่วยให้นกเนี่ยพ้นจากความทรมานโดยการทําให้นกตายทันทีเลยจะดีไม่ดีมันสงสารแต่อีกใจนึ่งก็บอกว่าเอาอย่างนั้นเราเป็นตัวที่เปรีาญชีวิตเขาไม่ทราบว่า พผมตัดสินใจว่าอย่างนั้นไม่ช่วยเดินออกมาอย่างนี้จะมีความกรุวนาหรือเปล่านะติดปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะอยากจเขอเรียนถามอาจารย์วะสิทธิ์นะครับขอบคุณครับก็อาจารย์ก็ไล่ตอบตั้งแต่คุณเอกชาติเลยนะฮะว่าการที่พระอวอุตริมนุษยธรรมอย่างไรอวดอย่างไรจึงจะถือว่ามีความผิดเป็นความผิด ที่เธอส่วนมากจะจะออกไปทางปัจจตังใช่ไหมที่ว่าครับทางออกก็ปัจ จ, จ, จตังโดยเฉพาะตัวครับมันเรื่องของวินยัยนะฮะไม่ใช่เรื่องปัจจตังครับเรื่องของวินยัยอันนี้ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นวินัยที่ที่ไม่ใช่ปัจจตังใครจะปัจจตังก็ปัจจตังไปนะฮะแต่ว่า